หลักในการปฏิบัติเอาให้มันแจ้งให้มันชัดเขา้าใจไหมอย่าให้อะไรมาหลอกเราได้ฟังของครูบาอาจารย์มาฟังศึกษาให้เข้าใจให้มีหลักจริงๆให้มันแน่ใจว่าการปฏิบัติของเราถูกต้องถ้ามันมันปฏิบัติไม่ถูกต้องอ่ะ มันหลอกนะสังขารมันหลอกมันมันก็ได้ช่องเดี๋ยวมันลากไปทางน้นลากไปทางนี้เดี๋ยวมันหลอกอย่างนั้นหลอกอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราไปเชื่อมันเนี่ยมันโอ้โหรุดไปยากมันยากนะแต่ถ้าไม่เชื่อเราตั้งสติดีดูเฉยเยเห็นมันเนี่ยโอ้โหมันหลอกลวงจริงๆรนะเนี่ยพวกสังขารมันเป็นอย่างนี้นะ มันเข้ามาในรูปของสังขาร น, นะมือมันจะมาปูแต่งกายเราจิตเรานหละมาหลอกให้จิตเราหลงตามคอยตามเชื่อตามแล้วจิตเราไม่มีกําลังเนะที่นี่ไม่เป็นทวงตัวเองมันตรงเห็นเนี่ยถ้าสติดีมต้องเห็นเนี่ยสังขารเป็นสังขารเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับนะความรู้สึกจะไงเกิดขึ้นก็นตาม ใช่มันเป็นความรู้สึกห้ามมันไม่ได้หรอกมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดูมันไม่ใช่เราอีกต่อไปเราเป็นผู้ดูมันจริงหรือไม่จริงอันนั้นต้องดูอีกทีนึงบางครั้งก็จริงบางครั้งก็ไม่จริงสังขารเนี่ยอย่างบางเรื่องมันก็จริงมีเหตุมีปัจจัยมันก็ตรงบางเรื่องมันไม่ตรง มันหลอกพอยแต่เวลามันอยู่ข้างในมันเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะ <c oughs> มันสร้างเรื่องสร้างราวใหญ่โตนะเพราะนั้นเราต้องเป็นตัวของตัวเองทีนี่เชื่อพระพุทธเจ้าทีว่าศึกษาคำสอนของพระเจ้าให้เข้าใจและปฏิบัติให้มันแน่ใจถ้าไม่งั้นเราไม่แน่ใจในทางของเราเนี่ยเราไปอยู่องค์เดียว เราไปนู่นเราไปนี่มันลากไปหมดนะหมู่คณะอยู่ด้วยกันพรรษาน้อยกวจริงนะแต่มีหลักนะหลักในการปฏิบัติไม่สงสัยเลยนะยุคกิาการภายนอกก็เปลี่ยนไปมีความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบตัวเองได้รักษามีสติรักษาใจอะไรเกิดขึ้นก็ควบคุมตัวเองได้ ไม่หลงไปตามสังขารนีะฮะอย่างนี้เออมีหลักละวก็รู้ทางด้วยมีสติจิตสงบเข้ามายังไงเห็นในขณะสงบมันสังขารนั้นปรุงแต่งเข้ามายังไงมีนิมิตแสงสีอะไรเกิดขึ้นเห็นว่ามันเป็นศัก่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดามีสติสัมประชัญญะเพิ่มขึ้นจิตตื่นขึ้นละนิวรณ์ได้นู่น่นะ หลายจะมาแซงมาแซงก็ไม่หลงคอยตามจิตเป็นตัวงตัวเองขึ้นมานี่เรียกว่าจิตตั้งมัน่นถ้าว่าจิตของเรามันไม่ตั้งมัน่นมัน ม, มีกําลังเดี๋ยวสังขารมาอย่างนั้นอันนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็เอาไม่ดีมาบางทีมันเอาดีมาก่อนหล่อหล่ อ, ลอให้ดีใจปลื้มใจภาวนาก็ดีสงบเยือกเย็นบางวันมันเอาไม่ดีมาลุ่มร้อนโูดงิดูนงาน อยู่ก็ไม่ได้เนี่ยมีนะมาที่นี่หลายองค์เลยนะมีหลายองค์ก็เห็นใจนะเวลาเวลาท่านมาเราก็เห็นว่าเออแต่ละองค์แต่ละองค์งมาก็ต้องการความชื่อเหลือพยายามเชื่อเหลือแต่ถ้าองค์ไหนนะเดินตามทางของบุตรเจ้าดีขึ้นแต่ถ้าองค์ไหนเชื่อตามเดิมของตัวเองนะไปไม่รอดเลยนะ บางองค์นีกลางคืนเลยอ่ะคิดดูไม่มีใครทําอะไรนะมีบางองค์ก็อยู่ดีๆไปอาทิตย์สองอาทิตย์ตื่นเช้ามาสภายบาดไปแล้วเนี่ยหรือบางทีเราก็ไม่อยู่อ้าวก็ไปนี่เราต้องเปตัวงตัวเองอย่าไปเชื่อมาในสังขารก็การปฏิบัติก็ปฏิบัติในจิตนี่บางทีมันหลอกจะไปทางโน้นไปทางนี้ ที่นั่นที่นี่จะดีเอาตรงนี้ทําทำไมมันไม่ดีมันไม่ดียังไงให้มีคำตอบให้มีเหตุผลอย่างนี้เลยนะฮิเยวไม่วิ่งตามสังขารเมื่อเช้าก็พูดถึงอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่มีในโลกในจั ก, กรวาลของเราไอ้พวกที่มันคอยแทรกแซงผู้ปฏิบัติธรรมมันเป็นของคู่กันแม้แต่พระพุทธเจ้านี่อยู่ในมาและสังยุทธจําได้ พระเจ้าก็สอนสาวกนะ่ะอ้าพวกเราเนี่ยรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าข้าก็หันมาฟังแล้วว่าพระเจ้าจะพูดอะไรเราพ้นแล้วจากบ่วงงานทิถีเราพ้นแล้วจากบ่วงของมนุษย์เราพ้นแล้วจากสิ่งที่จะมาครอบงำปรุงแต่งเราปรุงแต่งจิตเราให้เราลุ่มหลงอีกต่อไปไม่มีเนี่ยเราพ้นแล้วจากบ่วงของมารพวกเธอก็ เป็นผู้ที่พ้นแล้วนี่เราแดงว่าพูดกับพ่อาหังหันด้วยกันนะเนี่ยเสร็จแล้วพระกับสาธุก็พากันแ ย, ยกย้ายไปพอพาไปแล้วมารปั๊บมาเลยนะนี่มารชอบลองหัวหน้านะะเนี่ยมันมันมันมันจะต้องเอาหัวหน้าเลยนะปั๊บมา ห, าหัวหน้าม า, าพพุทธเจ้าดูก่อนสมณะท่านถูกบวงของเราแล้วท่านไปไหนไม่ได้แล้ว บ่วงของเราอ่ะมัดท่านไว้เรียบร้อยแล้วท่านตกเป็นทาสของเราแล้วพระพุทธเจ้าประกาศเลยเราพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นทิพย์บ่วงของมนุษย์พ้นจากสิ่งครอบงำทั้งปวง<ม>อะไรจะมาทําให้ลุ่มให้หลงอีกต่อไปไม่มีดูก่อนมานเรารู้จักท่านแล้วท่านถูกเรากําจัดแล้ว ถูกกาจัดก็คือว่าจิตไม่ดีดีไม่ดีละจิตไม่สนใจมานมาก็รู้วเป็นมานไม่ไม่ทําตามมา น, นี่โมโหบางทีมันใส่ความรู้สึกเข้ามานี่เป็นจริงเป็นจังมากเลยนะให้เรานี่ยังยังอุทานเลยบางทีนะโอโ้โหมันทํากันนาด น, นี้เลยหรอเนะี่ยนี่ถ้าหากว่าคนที่ยังไม่หลุดพ้นเน่ยมันจะเป็นยังไงนะนคือเรามันเห็นแล้วนี่เออมันจะมาหลอกมาล่ออะไรกัน ว่าจิตมันไม่มีอะไรแล้วนี่มันจะไปหลงสังขารที่ข้างนอกเข้ามามันเป็นไปไม่ได้มันเห็นนะมารก็เสียใจอนทานไปเพราะหลอกล่อพู้เจ้าไม่ได้ทำอะไรพรธเจ้าไม่ได้พู้เจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรมารแต่รักษาจิตยอย่างเดียวไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะจิตต้องมีความเข้มแข็งอย่างนี้ต้องเข้าหาธรรมเข้าหาหลักของการปฏิบัติมึว่าต้องมีสติอยู่ตลอด ทำอะไรมีสติเนี่ยสังขารมาให้รู้ว่าเป็นสังขารจริงหรือไม่จริงต้องสังเกตต้องศึกษาไปเรื่อยเืย่จนเราแน่ใจว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าเออเวลามีมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นสัมผัสกับอะไรขึ้นมาอันไหนมันจริงอันไหนมันไม่จริงพอรู้แล้วเราก็เข้าใจมัน เพราะนั้นอะไรมาหลอกลวงเราไม่ได้หรือถ้าหาว่าหลอกลวงให้ให้เราหลงไปตามสังขารแล้วร่างกายเราก็แย่ด้วยมันเล่นงานร่างกายได้ด้วยพวกนี้ยไม่ได้ธรรมดานะเพราะนั้นต้องรักษาใจให้ดีเงี่ยเข้ามาหาคําสอนของโมเดจ้าบางทีคนปฏิบัติเนี่ยมันหลอกให้ย่อย่อนไปหลอกให้ทํานู่นทํานี่ไปตามมันเลย เหมือ น, นเสียทามันนี่เรื่องของสังขารมันเป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าเรามีหลักนะมันศึกษาคําสอนของบุตรเจ้าให้ดีๆฟังอยู่เรื่อยเนี่ยพระเจ้าบอกไว้ให้เป็นพระหูสูตรเวลาปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นพระหูสูตรต้องเป็นผู้ฟังมากๆฟังแล้วมันเข้าใจแล้วมันแน่ใจในการปฏิบัติของตัวเองมันไม่สงสัยมันก็ปฏิบัติไปได้ ปฏิบัติก็ง่ายไม่ล้มลุกผูกขาดคือมันไม่วิ่งตามความเห็นของตัวเองไม่วิ่งตามความคิดของตัวเองมันมีลหลักของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจสงสัยก็ฟังอ่านศึกษาเอาให้เข้าใจเอาให้แน่ใจพระไตรปิฎกมีพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเยอะถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็อ่านคําสอนที่มันตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือฟังครูบาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมที่ท่านหลุดพ้นจริงสอนตรงกับธรรมของพระเจ้าจริงนีอย่างนี้เราจะไม่หลงทางเลยเนะี่ยมีสังเกตดูญาโย ม, มาระเนนมามาอยู่ด้วยกันไม่ค่อยสงสัยการปฏิบัตินะเพราะมีหลักเดียวกันอยู่สงสัยก็ยกพระเจ้าขึ้นว่าพระเจ้าไหวนี้ทำอย่างนี้ตามนี้มัก็แก้ไขไป ก็หมดทุ่งสมันมันจะก้าวหน้าเร็วหรือช้าอันนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของสภาวธรรมไปเราก็สร้างเหตุเรื่อยไปแต่ละมัดระวังเวลามันจะย่อหย่อนอ่อนแอเวลาถูกนี่แหละถูกมันหลอกลวงเนี่ยเออเยอะอบางทีมันหลอกเอาหัวปักหัวปํมวามโยมก็เยอะไม่มีหรอกที่มันจะไม่หลอก โดนมันหลอกมาทั้งนั้นแต่ก็แก้ไขได้เพราะเรามีหลักธรรมของวุฒิย่าถ้าเราเดินตามทางของวุฒิย่าเนี่ยมันหลอกไม่ได้เราก็ได้กําลังขึ้นมนาะยิ่งยิ่งมันมีอะไรมาทดสอบยิ่งมีอะไรที่มันมากล่อมเรานะพอเรารู้ทันมันเนี่ยจิตเรายิ่งมีปัญญาเพิ่มขึ้นมีกําลังใจเพิ่มขึ้นนี่มีสติมีปัญญาเลยทั้งบางทีโอ้ มันเล่นร่างกายแทบไม่มีเดียวไม่มีแรงก็มีเราก็ไม่รู้ก่อนก็เป็นนั่นแต่เราไม่รู้แค่อดไอ้ น, น้ำปะนะเนี่ยเราอยากอยากทดสอบว่าเออเราจะลองดูซิาบางทีมันก็เวลาเวลาไปฉันน้ำปะนนะ้ำมันอยากเอาหลายแก้วเนี่ยตอนนั้นเรายังหาความพอดีไม่ได้เรากำลังฝึกฝนตัวเองอยู่เราเจะลองเอาแก้วเดียวสิจิตเราจะเป็นยังไง เราเอาแก้วเดียวอธิษฐานแก้วเดียวตลอดหนึ่งห น, ง, งหนึ่งอาทิตย์เอาลองกันหนึ่งอาทิตย์โอ้ยวันวันแรกเนี้ยเดินเดินไปกุฏีเนี่ยแค่เดินไม่ไหวนะแค่ไอ้น้ำปานาเนี่ยสองสามแก้วลดลงเดี๋ยวแก้วเดียวไม่มีเหตุผลเลยแต่ก็เห็นว่ามีเรื่องร่างกายเท่านั้นเนี่ยมันก็แยกกายออกจากจิตได้ใจก็ไม่กงมังวลแต่เรารู้สึกแปลกใจว่า ทำไมมันเป็นได้ขนาดนี้แต่ตอนนั้นก็คือเห็นเป็นสภาวธรรมธรรมดารู้ว่าโอ้นี่ร่างกายแต่มันคงจะเคยได้น้ำตาลแล้วน้ำตาลมันน้อยลงไปมันก็เลยแสดงออกมาว่านี่เป็นร่างกายไม่ใช่จิตไม่เกี่ยวกันเนี่ยจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เนี่ยมันก็มันว่าขึ้นมาเราก็ดูมันไปเนี่ยคือถ้าหากว่าปฏิบัติถูกทางนะ มันจะต้องเป็นไปเพื่อขัดเราเป็นไปเพื่อละคายความยึดมั่นถือมัน่นงที่แล้วมันก็ทําความสงบไปก่อนนิ่งพอนิ่งแล้วเวลาออกมาถ้ามันมาดูขันห้าออนีถ้ถูกต้องคือพอจิตมันนิ่งไปแล้วมันออกมาเนี่ยมันยังมีกําลังอยู่มันเห็นอะไรเกิดขึ้นก็เห็นน่ะอาการทางร่างกายเป็นยังไงมีเวทนาไม่มีเวทนามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไง มันยักย้ายถ่ายเทยังไงมันจะปรากฏออกมาตามเจริตนิสัยของคนนั้นอาจจะเป็นอสุภะบางเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือเป็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของวันนี้แหละมันจะแสดงออกเนี่ยก็คือเห็นพระไตรลักษณ์เนี่ยเห็นอาการคือตามดูพระไตรลักษณ์พลังงานความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเปลี่ยนแปลงความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมัน ไม่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก ge ็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันจะลงที่นี่คือลงพระใจรักกับปฏิสมุบาฏพระใจรักก็คือว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมสิ้นสลายไปมันทนอยู่ได้ยากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมสิ้นสลายไปมันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่เราไม่เชิงเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกลับเห็นว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้น โมเทมุนมปัจจัยก็ดับไปเองไม่เกี่ยวกับเรานี่คือในแนวของปฏิสมุบาทเห็นพะัะไตรลักษ์ก็ในแนวกัลยา ส, สีอันเดียวกันมันก็จริงๆมันก็มาหรือมาเป็นแนวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพูดให้มันแบ่งแบ่งแบ่งหลักเกณฑ์ดูว่าเออถ้ามุมมองเนี่ยมองแบบพะัะไตรลักษ์กับมองแบบถ้ามันอาศัยกันเกิดขึ้น มันมีเหตุมีวัตใจเกิดขึ้นแล้วกระดับไปมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นหลักธรรมอันึงึ่ถ้าหาว่ามาดูกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่ามันมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราอยู่ตลอดอย่างเนี้ยอันนี้เรียกว่ามันมีสติสัมปชัญญะถ้ามันมีกําลังจิตอยู่กับจิตแล้วเห็นเองอย่างนี้เรียกว่ามันมีปัญญายาณโอถ้าอย่างนี้ตรงเลยนะ ไม่ต้องสงสัยเลยหรือถ้ามันชอบลงไปพักบ่อยๆมากๆเราไม่เอามันเสียเวลามากมันเคยพักมานานแล้วถ้าความสงบกำลังเราพอแน่ใจเราไม่ให้ลงไปพักก็ได้คุมไว้เลยคุมไว้ทามันลงไปพักบางทีมันเสียเวลาเอามาดูรูปเวทนาสัญญาสังขาริญญางสะกก่อนแล้วมันจะค่อยสงบลงไปสงบลงไป แล้วก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น น, <Yeah. S 1> นี่ก็ได้เหมือนกัน <Yeah. S 1> อั น, นุงสงกรอนแล้วก็ามาดูขันหะให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกอ น, นุ่มเจริญสติสัมปชัญญะเรื่อยไปแล้วมันก็ปล่อยวางและสงบลงไปค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นนี้กำลังเพิ่มขึ้นไปสู่จุดเดียวกันคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดา นี่จะตรงหลักของผู้เจ้าหมดเลยเห็นระยสะสี่ชัดเจนนี่คือทุกให้กําหนดรู้กําหนดรู้แล้วทุกดับมันก็เป็นนิโรธนะเหตุแห่งทุกคืออะไรคือความไม่รู้ความจริงเป็นตัวเป็นตนมีอุปทานมีตัณหามันจะเข้าหลักความจริงหมดอยู่ในจิตหมดเลยนอะเนี่ยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ในตํารายนะไม่ใช่อยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้อยู่ในจิตของแต่ละคนเลย พอเข้ามาอย่างนี้แล้วก็เอออย่างนี้มันจะหมดความสงสยัยละคนที่มาถึงครั้งแรกนี่แหละเข้ากระแสพอดิพานแน่นอนเลยเป็นโยมเข้าได้เป็นผ้าก็เข้าได้ผู้หญิงก็เข้าได้ผู้ชายก็เข้าได้ถ้าปฏิบัติถูกแล้วก็ตรงอยู่กับบ้านกับเรือนก็ถึงได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสิกขาคามีได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นพ่อร้นก็ได้ ถ้าอยู่อย่างเหมาะสมควรแก่การที่จะบรรลุธรรมแล้ทวที่ว่าเป็นพุทธานแล้วต้องบวชมันไม่เกี่ยวแต่ท่านอยู่อย่างเหมาะสมไม่ได้ไปคุกกีตีโมงกับใครอยู่ในแบบคล้ายๆพระนี่แหละอยู่ปฏิบัติไปแต่ในลูกของคารวะเร า, าก็ดูว่าแต่เขาไม่เห็นตายนะเพราะนั้นมันสรุปว่าโอ้ถ้าหากว่า เป็นพระหรันเป็นฆราวาสแล้ววันเดียวตายไม่ใช่อันนี้มีในมิณฑลทับปัญหาไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วก็อ้างถึงพระเจ้าสุโทธทนะว่าบรรลุพระอรหันแล้วเจ็ดวันต้องปรินิพานะเพราะไม่ได้บวชไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าสุโทธทนะเนี่ยท่านป่วยอยู่ก่อนแล้วฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเนี่ยความเจ็บไข้ด้ป่วยทางร่างกายมันกำเริบขึ้นมามันก็ปรินิพาน มันบังเอิญแต่ยังมาสรุปว่าถ้าไม่บวชภายในจิวันตลงตายบางตำราก็บอกว่าหนึ่งวันลงตายเนี่ยมันเป็นอัตค า, าถาเหมือนเป็นคำพูดของคนรุ่นหลังพระเจ้าไม่ได้ตัดไว้ไม่มีเ น, นี่ยอันไหนไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีไม่ใช่คำพูดของพระเจ้าเล่าความจริงพิสูจน์กันแต่เราเห็นว่ามีอยู่จริงไม่ได้บวชซักไซเลยเลียงมันก็เป็นที่แน่ใจอ่ะ ถ้าหาว่าเขาไม่ถึงจริงเขาพูดไม่ได้ในสิ่งที่เราตั้งคำถามไปเพราะมันรู้กันอยู่นะี่ยผก็แน่ใจขึ้นมาเนะีหัวหน้าอาจารย์คนที่แต่งมันก็ทําให้สงสัยว่าเป็นพ่หลานไหมเนะแี๋วถ้าเป็นพ่อหลานรู้เท่าถึงตรงนี้ไหมได้เคยพิสูจน์ไหมนี่ยแต่อย่างเรามันมีตัวอย่างเห็นนี่ซักไซ้์เลยเลี้ยงกันมาเลย เห็นตอนหน้ามีพยานหลักฐานด้วยเอามาพิสูจน์กันเลยเราถึงว่าเออมันจะต้องเอาความจริงกันดีกว่าเราไม่ต้องไปเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครแต่เราจะเชื่อความจริงมันก็เป็นตัวของตัวเองที่นี้แต่ไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองแบบลุ่มหลงงมงายออมันมีหลักฐานนี่นะมันมีเหตุผลเพียงพอ จึงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยให้มั่นใจเด็ดขาดเลยว่าตรงทางพอเจ้าแน่นอนทางของเราอาจจะมีเหมือนของคนอื่นแต่ว่าให้มันตรวจสอบได้ว่ามันตรงกับของพระพุทธเจ้าแน่นอนมันก็มีกายเวทนาจิตธรรมนี่ละสี่สิบฐานสีนี่ละกายานุปัสสนาสี่สิบฐานแยกมากกวดูลมก็ได้อานาปานาสติดูผมขนเล็บฟันนังเื้อก็ดูอาการสามสิบสองก็ได้เนี่ย มันก็อยู่ในกายหมดอ่ะเรียกกายยคตาสติ <Yeah. S 1> ดูเป็นสากศพก็ได้เป็นอสุพังก็ได้ดูเป็นปฏิกูลก็ได้ดูเป็นท่าก็ได้ก็คือเรื่องร่างกายจะดูยังไงก็ดูได้เขาเรียกกายานุปัสนาสีปฐานอันเดียวกันแต่ถ้าดูลมเนี่ยบางทีเขาก็แบ่งเฉพาะลงมาว่าเป็นอาณาปานสติเสียเป็นเกี่ยวกับลมหายใจ แต่ก็เป็นกายเหมือนกันบางคนดูลมอย่างเดียวดูลมพอลมละเอียดลงไปก็มาดูจิตเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นจิตเห็นอาการสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันไม่มีผลต่อจิตจิตก็คายวางออกคายวางออกก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันเนี่ยดูลมก็ได้ลมอย่างเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับจริตของเขา บางคนดูสติปัฏฐานสี่ไปเลยลมมาดูลมลมไปแล้วดูกายส่วนที่มันเป็นรูปทั้งก่อนก็ได้รูปนั่งเป็นยังไงมีอาการเกิดขึ้นกับกายยังไงบ้างมันมีกม้มมีเงยเอียงไปเอียงมานี่เห็นมันเนี่ยในจิตนี่ก็ดูกายเหมือนกันเห็นความร้อนเห็นมองว่าเป็นธาตุไฟ ก็เป็นเป็นกายเห็นหมันเป็นก้อนแข็งแท่นแข็ ง, ขงหรืออ่อนนี่คือธาตุดินมันเคลื่อนไหวธาตุลมเกลีว่อบอาบซาบซาทำให้เกาะกลุมกันเป็นก้อนผ่านน้ำก็ดูกายเหมือนกั น, นดูให้เป็นธาตุผมก็ผมผมผมผมผมนึกไปด้วยดูไปด้วยจนมันมีกำลังมันไม่ต้องนึกนะมันดูเข้ามันเองชัดเจนขึ้นในจิต ผมก็ไม่ใช่เราอีกต่อไปเพราะว่าเป็นศัพท์ว่าสิ่งสิงหนึ่งมันไปที่เดียวกันหมดเลยนะมีว่ากายเหมือนกันกายานุปัสนาสีฐานแต่เราพวกเรานิยมเรียกว่าเป็นกายคตาสติจริงๆแล้วเป็นกายานุปัสนาสีฐานทั้งหมดเวทนานุปัสนาสีฐานมีสติตามด้เวทนาเวทนาทางกายสุกทุกข เจ็บปวดนี่เป็นทุกขเวทนาทางกายจิตของเราอ่ะมันเป็นยังไงถ้าจิตมีกําลังเน่มันเฉยเลยนะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นจิตมันก็ดูเฉยๆได้เพราะจิตเป็นผู้ดูธาตุอื่นดูไม่ได้นอกจากธาตรู้นอกจากจิตเท่านั้นที่เป็นธาตรู้กายดูอะไรไม่ได้เวทนาดูเวทนาไม่ได้ดูอย่างอื่นก็ไม่ได้ นอกจากจิตเท่านั้นที่ดูได้เพราะนั้นที่ไปดูผู้ดูเนี่ยคือจิตในเวทนานุปัสนาบิฏฐานมันมีมีมีมีอากาศเกิดขึ้นยังไงมันค่อยมันแรงมันหนักมันเบาเห็นหมดแต่จิตนีกําลังก็เห็นมันก็ดูเฉยๆดูเฉยๆมันก็จะค่อยๆรู้ขึ้นมาเอานี้มันไม่ใช่เราเพราะไม่ใช่เราสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันวางเลยนะมันเบาลงไปเลย มันเห็นแล้วมันเห็นม่นไม่ใช่เรามันจะคลายวางเองเขาเดียว น, นิพิธานิพิทานิพิทาไม่ใช่ว่ามันเบือออบเบ่อหน่ายโอ้ยปฏิบัติไปแล้วเบื่อหน่ายไม่อยากปฏิบัติเลยไอ้แบบนี้มันเบื่อหน่ายการปฏิบัติไม่ขี้เกียจนิพิธาหมายถึงจิตเห็นความจริงเดี๋ยวจิตมันคลายวางมันไม่ไปยึดมันเบื่อหน่ายมันเห็นว่าเนี่ยโอ้โหจิตเนี่ยไปลุ่มหลง มันนมนานแสนนานหลายกี่กับกี่กันแล้วเนี่ยมันทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แล้วแเราเล่าไม่จบไม่สิน้นเมื่อไหร่จะพอสักทีหนึ่งมันเบื่อมันอยากสลัดออกนี่ไอ้เนี่ยนี้เป็นนิพิทายานไนนาอ้นิพิทาปฏิบัติแล้วเบื่อสามีเหลือเกินเบื่อบ้านเบื่อลูกกลับไปบ้านก็เบื่อนายไม่อยากทําอะไรเลยวะเอามีนะที่ไปอินเดียเขามาถาม เขาบอกว่าไอ้คนข้างบ้านเขาอ่ะไปปฏิบัติกรรมฐานมาเคยทํางานเคยทํานู่นทํานี่รับวพีชอไม่กลับมาไม่ทําอะไรเลยเออเป็นแบบนี้เขาก็เลยกลัวไม่กล้าปฏิบัติเขาว่าแต่คราวนี้เขาก็เ อ, อไปอินเดียด้วยกันเขาก็เลยถามขึ้นมามันเป็นยังไงเขาถามนะมันเป็นยังไงเราก็เลยพูดติดตลกหน่อยว่า experience ว่ะ เราก็บอกวันนี้แนละ้วมันเพี้ยนมากมันเลยมีเตลเมสด้วย <c oughs> กรรมฐานมันก็ต้องมีบ้างสิเ yeah. <c oughs> <c oughs> นีอิสเพี้ยนว่แหลเบือเบื่อหน่ายการงานคิดดูกันเลยกันเบื่อหน่ายสา ม, มีเบื่อหน่ายลูกมันเบื่อหน่ายแต่มันไม่ไปวางความเบื่อหน่ายมันไม่ทันโดนสังขารมันหลอกเบื่อหน่ายรู้ว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแบบนี้เหมือนเป็นสังขารชนิดหนึ่ง เราไปเห็นมันเดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นมันเกิดเทมันดับมันจะไม่ยึดความเบื่อแบบนี้เอี่จนนุ่นจิตนีแหมมันเห็นแล้วเราอ่านั่นก็เกิดดับอันนี้ก็เกิดดับอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ของเรานี่มันเบื่อหน่ายอ่ะจิตนี่มันก็ยิงมุ่งทีทีมันมันเห็นละโอ้โหถ้าหากว่ายังจมอยู่กับไอ้ความลุ่งความหลงแบบนี้มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยที่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาละ มันเป็นความหลงผิดของจิตเฉยๆ ม, มันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยถ้าจิตยิงละเอียดเข้าไปนี่โอ้โหพอมันได้เป็นอิสระเนี่ยพรายวางออกไปจิตเป็นอิสระโอ้มันเบิกบานมันสุขมันเกินกว่าไอ้ที่จะเอาความสุขในโลกมาเปรียบเทียบได้และจะให้มันไปห่ยหายความสุขไอ้ที่มันได้นั่นได้นี่ ตื่นเต้นยินดีอันนั้นอันนี้อ้มันไม่สนเลยนะเห็นมีนความลุ่มหลงไปหมดเลยแต่ถ้าได้มาแล้วเป็นอุเบกขาเอามาใช้ประโยชน์ไออย่างนั้นมีปัญญาสมควรแต่ช่นนี้ตื่นเต้นยินดีดีอกดีใจควบคุมตัวเองก็มาอยู่โอ้อยางงี้มันหลงได้มาแล้วก็ทําให้จิตมันเสียศูนย์เสียสมดุล ไปยึดไปติดไปขล้องเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็จิตเป็นอุเบกขารู้ทันเต่อันนี้เป็นเครื่องใช้เป็นปัจจัยสืบทอดกันตายคำ <c oughs> ว่าปัจจัยนี่หมายว่าเครื่องกันตายถ้าไม่ได้มันมาแล้วมันจะตายแน่นอนอย่างอาหารอย่างนงี้ยเขาเรียกปัจจัยสี่เนี่ยอาหารนี้ถ้าไม่กินรับประทานอาหารเนี่ยตายแน่นอนนี่เ็าเรียกปัจจัยเครื่องสืบต่อเครื่องกันตายพูดให้มันสาใจถ้าไม่มีมาแล้วเราตาย ยารักษาโรกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เป็นปัจจัยสี่เหมือนกันนะที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องเป็นกายเครื่องนุ่งห่มมีพวกนี้ปัจจัยสี่อย่างอื่นมีมาแต่มันก็ตามฐานะของเราตามสภาพของเรามันก็อานวยความสุขความสบายให้แกเรามันก็ได้นี่เพราะเรา มันไม่ได้ขัดขวางต่อการพ้นทุกอะไรเราก็ยังปฏิบัติธรรมได้ยังเป็นไปด้วยความพนทุกมันทำให้ชีวิตเรามันมีความสุขมากขึ้นมันไม่เป็นไรอย่างนี้เราไม่ได้ยึดไม่ติดไม่ขล้องเคยเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้ก็ออกไปออกไปข้างนอกไปก็เปิดทีวีกันดูมวยบ้างชิงแชมป์โลกคนไทยชิงแชมป์โลก โอหเชียร์กันมันนะแต่เรานี่นั่งดูนี่แอบดูคนเชียร์เลยนะโอ้โหบางทีคนไทยต่อยไม่ได้ใจโมโหง้องเขาต่อยกันในทีวีนะตัวเองดูเขาเนี่ยโมโหโอ้สงสารเขานะแต่พอคนไทยได้ท่าขึ้นมาอุ้ยเสียงตบไม้ตบมือเสียงร้องสนันวันไหวเลยดูสิจิตมันขึ้นมันลงไปกไอ่ไอ ไอทีวีไปเลยเนี่ยมันเป็นธาตุของอารมณ์ขนาดนั้นนะฟุตบอลก็เหมือนกันบางทีพอยิงประตูเข้าไอคนที่มันยิงเข้าแหมมันกระโดดขึ้นตะโกนสุดเสียงเลยนะตัวมันเก่งไปสุดตัวเลยเราเห็นแล้วเราสงสารควบคุมจิตไม่ได้เลยเต็มร้อยเลยประเภทนั้นเสียสมดุลไปหมดโค้ดเนี่ยโอ้โห เองแขนกำมมือแน่นแล้วก็ทำท่าวอข้อศอกเข้ามาทำท่าสะใจโฮ้โหแล้าก็เสือกไปดูเขาไปดูแล้วก็สงสารเขาอีกโโหนี่เขาไม่ได้ปฏิบัติจิตเป็นอย่างนี้นะเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไปเห็นใจเขาว่าเขาเห็นความทุกข์นะแต่เขาไม่ไม่เรียกความทุกข์เขาถือว่าความสุขนะเขาดีใจเขาพอใจ ไอทีว so so ีก <c oughs> <c oughs> so ็โอ้โหมันก็ไปสโลโมชั่นด้วยนะตอนที่อาการเขาสะใจเต็มที่เนี่ยที่มันร้องอ้าปากเต็มที่ไอ้เนีก็ไปถ่ายช้าๆอู้หูมันน่าเกียดที่สุดเลยเราอย่าว่าเขาเลยเราเราไม่ได้เป็นเงินเขาไม่ได้เงินกับเขามันดูไปทางความรู้สึกเฉยๆเวลาไม่ได้ใจโคตรดิกระโอ้โหเตะขวดน้ําอืม โชคุมัดนี่มันแสดงออกนี่คือจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนเป็นธาตุของอารมณ์อารมณ์ครอบงำจิตแล้วเวลามีอะไรกระทบมันก็ขึ้นลงแบบนั้นแหละแล้วมันเอาสุขตรงไหนอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยววิ่งตามทางนั้นวิ่งตามทางนี้เดี๋ยวไปหน่นไปนี่แค่เขาเตะกันในสนามเนี่นั่งดูเฉยๆก็ไม่เป็น ดูสิคนดูก็เหมือนกันนั่งดูเฉยๆดูใจไปนี่ไม่เป็นนะบางทีทีมตัวเองจะแพ้ร้องไห้เลยทีมหนึ่งอู้ชายโยหหวร้องร้องเพลงทั้งเต้นเนี่ยเฮนี่เป็นธาตุของอารมณ์ทั้งหมดเลยแล้วเรานี่มันมันปกติหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนคนอื่น สมันแทนที่จะไปดูกีฬามึงไปดูคนดูเสียมีขยันจิตเราต้องพยายามตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆแล้วแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนี่นนี่เริ่มเข้ามาดูตัวเองแล้วนะเราเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างที่พุทธเจ้าสอน ว่าเอากายดูกายกายานุปัสนาสีปทานแล้วก็เวทนานุปัสนาสีปฐานและจิตตานุปัสนาสีปทานเราเห็นพวกนี้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมานุปัสนาสติปทานเราดูอะไรอยู่นัน่มันก็แค่สติปฐานสี่เท่านั้นแหละเหมื่ได้มีอะไรเป็นเราอแยก ออกมาแล้วเป็นสติปัฏฐานสี่ถ้าย่ อ, อเข้าไปก็กายกับจิตสองอย่างขยายออกมาก็เป็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นสี่ถ้ามองในองค์ขันห้างลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมองในองค์ธาตุก็ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟวิญญาณธาตุมันไม่ไมีเราอยู่ในนั้นเลยนะถ้าเราดูกายกับดูกายไปก่อน เวทนามามถ้ามีเวทนามันชัดกว่ามันก็จิตมันต้องวิ่งไปดูเวทนาเหมือนกันมันก็เข้าไปหาสติปัฏฐานสี่เหมือนกันจิตมันคิดนึกปุงแต่งหรือมีอาการอะไรเกิดขึ้นกับจิตมันก็ไปดูจิตเหมือนกันหรือจิตมันคลายวางออกแล้วมันมาอยู่กับจิตมันก็ต้องมาดูจิตเนี่ยถ้ามันแจ้งชัดขึ้นมาว่าไอ้จิตเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกดูขึ้นมาแล้ว เหมือนเราเป็นผู้ดูไปมีความรู้สึกเหมือนจิตไม่ใช่เราเนี่ยมันก็เป็นปัญญาญาณขึ้นมาอยูแล้วมันก็ไปทํามานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันมันก็ลงที่สติปัฏฐานสี่ทั้งหมดเดี๋ยวให้ดูตัวเองนะวันนี้ก็พูดจะยอกเพราะก็ปฏิบัติกันมาทั้งนั้นแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยก็ แล้วแต่สภาวธรรมเราสร้างเหตุผลของการปฏิบัติแล้วแต่สภาวธรรมร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นเรื่องร่างกายเอถ้าจิตมีกำลังเนี่ยมันจะถอยเข้าไปหาจิตแล้วแล้วอาการทางร่างกายบางที่หายไปเองบางทีก็ไม่หายแต่ว่าจะลดลงไปอยู่ยาก็จําเป็นบางทีก็มันก็มีเชื้อโรคอะไรเข้าม า, ามเราก็ฉันยา แก้ไขไปแต่ว่ามันต้องไปพร้องกันกับจิตด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเวลาพูดกับมานนะ่ะท่านจึงบอกว่าดูก่อนมานแล้วลูกจะเรารู้จักเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าถูกเรากําจัดเสียแล้วหมายว่าท่านไม่ยินดีไม่ยร้ายไม่สนใจมันท่านเป็นอิสระจากมันเต็มที่เตังสตินะวันวันนี้วันนี้จะไม่จะไม่พูดนาน เดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ญาญยมได้เล่าสภาวธรรมบักอยากเล่าสภาวธรรมที่ตัวเองรู้สึกว่ามันมันมีอยู่ในใจมันอยากให้คนอยู่ในรับรู้นึกว่านึว่ามันจะเป็นประโยชน์่าเป็นผลของการปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้เพรนตอนนี้ให้ตั้งสติดูตัวเองลองนึกก็ได้ถึงเรานึกถึงสภาวธรรมที่เราเคยประทับใจฝังนึกอยู่ในใจถ้ามันมีถ้ามันมีก็แล้วไปอยากเล่าก็ได้ ในส่วนคือเลาสภาวธรรมที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจมันอยู่ในใจเราต่อไปนี้มีหลายคนนะบางทีพอเราแสดงธรรมเสร็จเนี่ยพอหมดเวลาแล้วเข้ามาหาเลยนะแล้วเล่าสภาวะธรรมให้ฟังโหน่าฟังมากเลยนะสภาวะธรรมส่วนใหญ่ก็คือเห็นว่าทุกมันดับไปอย่างไงอะ่ะชนิดที่มันมันรุนแรงจนมันฝังอยู่ในจิตอะ เหมือนกับมันมันทุกบางอย่างหรือในระดับหนึ่งอ่ะมันไม่กลับมาอีกได้เนี่ยบาที่เขาพูดแค่นี้นะเราถามเลยว่าเอาแล้วจิตมันเปลี่ยนขึ้นไหมมันดีขึ้นไหมบอกดีขึ้นเหมือนจิตมันสูงขึ้นโอนี่ใช่เลยเนี่ยเราเอาให้พยายามปฏิบัติต่อไปนะเอาให้พ้นทุกเห็นทางแล้วจิตรู้ทางแล้วเขาบอกก็มันก็ปฏิบัติของมันอยู่ ารับบางคนก็เล่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป็นยังไงเขาเราได้อีกบางคนหนึ่งสองสามได้ด้วยบางคนหนึ่งสองสามสี่แต่น้อยคนวัดก็มีมีสภาวธรรมเหมือนกันพระนี้พระก็มีเนี่ยบางท่านบางองค์แต่เป้าหมายเราคือต้องหลูกมกุ่งับความบนทุกข์ชื่อขับพระนี้ไม่ค่อย ไปสนใจเฉพาะทํำเล็กๆน้อยๆขัดด้านคัดนี้ไม่สนไม่เหมือนโยมนะสองคนทุกเลยถ้ายังมีทุกอยู่ยังมีเรื่องมีราวอยู่มีตัวมีตนอยู่งานยังไม่จบไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้นอกจากต้องการกําลังใจต้องการความแน่ใจต้องการเพื่อให้ เกิดความเพียรพยายามมากขึ้นในทะ่าทีความเป็นอยู่นี่แหละการทําการทํางานการเกี่ยวข้องกันเนี่ยทามีทําในใจมันจะเกี่ยวข้องกันถูกต้องมันเป็นธรรมเป็นธรรมมากเป็นธรรมน้อยนะเนี่ยถ้าหาว่าจิตมันมีธรรมมากมันก็เป็นธรรมา啊คาพูดการแสดงออก มันก็จะมีธรรมเป็นตัวกาหนดทีนี้ใครเข้ามามันก็จะเข้าระบบของธรรมเนี่ยทรมาที่ปไตยยกธรรมขึ้นเลยธรรมเป็นใหญ่เนี้ยอย่างอื่นมันก็มารวมลงที่ธรรมหมดอ่ะคือเอาธรรมเป็นตัวตั้งความเป็นอยู่มันก็เป็นธรรมคาพูดก็เป็นธรรมการกระทาก็เป็นธรรมต่างคนรักษาตัวเองเท่ากับรักษาผู้อื่น รักษาผู้อื่นก็คือรักษาตัวเองเรับผิดชอบตัวเองกเท่ากับรับผิดชอบคนอื่นคุณธํามอื่นมันก็ตามมาหมดครับจิงใจกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อกันสนับสนุนกันให้ทำสิ่งที่ดี ไม่อิจฉาลิสิยาหกันเนี่ยมันจะไปทางดีหมดเลยนะเนี่ยถ้ามันเป็นธรรมมันจะเป็นอย่างนี้ธรรมก็เจเริญขึ้นเลยเนื้อมีเหมือนกันบางคนเขามีธรรมแต่ไปใช้ในครอบครัวคนหนึ่งเป็นธรรมคนหนึ่งไม่เป็นธรรมเราก็บอกว่าเออต้องเราต้องเป็นธรรมเราต้องไม่ทิ้งธรรมเพื่อช่วยเขาให้เ้าหาธรรมเราไปโ อ, อนอ่อนตามกิเลสไม่ได้ ต้องยกทำขึ้นมาเท่านั้นเนี่ย นำมาสังคุทรรกระสือโชกเกย์โดยพระองค์เอง